มีเจตนาอย่างเดียวเป็นโมโลหมวดที่สองสองร้อยสีสิบสองพิจจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อเป็นทานน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศษพิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อเป็นบุญเพื่อเป็นยาและเพื่อบูชายันเพื่อเป็นยาและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อเป็นยาและเพื่อสืบพัน์เพื่อเป็นยาและเพื่อทดลอง ภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป e ็นยาและเพื OSSTALK, feasible, ่อความสนุนน totally ้ำอสจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อความหายโรคภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อความสุขน้ำอสจิเคลื่อนต้องอบัดสังฆาทิเศษ